ภิกษุรัตตัญยูเดินคุยกับผู้เป็นศิษย์ไปตลอดทางอย่างไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยข้างฝ่ายศิษย์นั้นเล่าแม้จะเหนื่อยและอยากหยุดพักหากก็เกรงใจผู้เป็นอาจารย์จึงไม่กล้าขออนุญาตอาจารย์ของท่านพาเดินตั้งแต่กลางดึกกระทั่งสว่างหนทางที่เดิน มีแต่แนวป่าไม่พบหมู่บ้านหรือผู้คนที่ไหนเลยข้าวปลาอาหารหรือก็ไม่ได้ฉันแม้ท้องจะร้องว่าหิวแต่ท่านก็ไม่สนใจคิดแต่ว่าในเมื่อหลวงพ่อท่านอดทนได้เราเป็นสิทธิ์แถมยังหนุ่มยังแน่นจะยอมแพ้ได้อย่างไรกันท้องเอ๋ยเจ้าอยากร้องก็ร้องไปเถิดนะตำรวจไม่จับหรอก หลวงพ่อครับเมื่อไหร่ผมจะได้พ้นจากความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอย่างหลวงพ่อบ้างครับสิทธามขึ้นหลังจากที่เหนื่อยจนพูดไม่ออกไปพักใหญ่ๆทอมตัวเองสิเราจะไปรู้ได้อย่างไรในเมื่อเราไม่ได้เป็นเธอภิกษุรตัตนอยูตอบ ถึงหลวงพ่อจะไม่ได้เป็นผมแต่หลวงพ่อก็รู้จักผมดีกว่าที่ผมรู้จักตัวเองเสอีกรู้ทั้งอดีตชาติปัจจุบันชาติและอนาคตชาติของผมอย่างที่หลวงพ่อบอกมาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องตอบคําถามของผมได้เว้นเสดแต่ว่าหลวงพ่อไม่ต้องการจะตอบ ถ้าเราจะบอกเธอว่าเราไม่ต้องการตอบล่ะผมอยากทราบเหตุผลครับเหตุผลอะไรเหตุผลที่หลวงพ่อไม่ต้องการตอบนะครับเหตุผลก็คือเราไม่อยากตอบเอาล่ะไม่ต้องถามต่อเรารู้นะว่าเธอจะถามอะไร แต่จะบอกให้รู้ว่าอะไรที่เราไม่ตอบก็แปลว่าสิ่งที่ถามนั้นไรสาระหากถามในสิ่งที่เป็นสาระเราจึงจะตอบเอาละเธอถามเรามามากแล้วคราวนี้เราจะถามเธอบ้างละไหนตอบเรามาสิว่ามนทินของสมณนะมีอะไรบ้าง มนทินของสมณะมีสิบสองอย่างได้แก่อภิชาพยาบาทโกรธผูกโกรธลบหลู่บุญคุณท่านตีเสมอริสยาตรณีมักอวดมายาปราถนาลามกและข้อสุดท้ายคือเห็นผิดทั้งสิบสองข้อนี้คือมนทินของสมณะครับ ผมละมนทินเหล่านี้ได้เกือบหมดแล้วครับประโยคสุดท้ายเป็นการตอบที่เกินคำถามเกือบหมดไม่ได้สิต้องละให้หมดถึงจะชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอันชอบของสมณนะตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนข้อไหนบ้างที่เธอยังไม่ได้อาจารย์ถามสิทธ ข้อสครับผมยังละโกรธไม่ได้โดยสิ้นเชิงคือไม่สามารถละได้ในทันทีต้องกำหนดโกรธหนอโกรธหนอเสียก่อนเรียกว่าถึงจะละไม่ได้แต่ก็ไม่เก็บมันไว้ให้ตกตะกอนจนกลายเป็นผูกโกรธหรอกครับก่อนที่เธอสามารถกำหนดให้มันหายไปได้ก็เท่ากับเธอ ละมนฑินของส ม, มณะได้และได้ชื่อว่าปฏิบัติข้อปฏิบัติอันชอบของส ม, มณะตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนที่เรานำเรื่องนี้มาเป็นหัวข้อสนทนาก็เพื่อจะให้เธอสังวรระวังให้มากส ม, มณะจะต้องละมนฑินทั้งส2องอย่างนี้ให้ได้จึงจะก้าวหน้าในการถือเพศบรรพทิต ในอนาคตจะมีคนปลอมบวชมากพวกเขาโกนผมห่ผมผ้ากาสวะแต่ละมนทินของสมณะไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวจึงไม่ประสบความสำเร็จในการถือเพศบรรพชิตเพราะทำตนเป็นเศษมนุษย์บุรุษโคมลอยไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ครับ หลวงพ่อผมจะสังวรระวังให้มากที่สุดคนเป็นสิทธ์รับคำหนักแน่นแม้จะเหนื่อยแสนเหนื่อยแต่การได้สดับสัตยธรรมจากสัตบุรุษก็ทำให้จิตใจชแช่มชื่นเพลิดเพลิ น, ลนจนลืมความเหน็ดเหนื่อยหิวโหวยลงไปได้เพราะเกิดธรรมปิติมาแทนที่หลวงพ่อดำประสงค์จะให้สิทธ์ได้เรียนรู้ ทั้งภาคปริยัตและภาคปฏิบัติจึงถือโอกาสถ่ายทอดความรู้ด้านปริยัตให้เข้าไปในตัวท่านรู้ว่าเมื่อสิทธิบริบูรณ์ด้วยปริยัและปฏิบัตแล้วปฏิเวทก็จะตามมาอย่างไม่ต้องสงสัยขณะนี้เขากำลังอยู่ในระหว่างอบรมบ่มอินรีเมื่ออินรีแก่กล้าสุกงอมได้ที่เมื่อใดเมื่อนั้นก็จะบรรลุทำขั้นสูงสุด เป็นอันเสร็จสิ้นกิจอันพึงกระทําเพื่อตนเพราะได้บรรลุถึงอัตตหิตะสมบัติแล้วหน้าที่อันพึงกระทําเพื่อตนจึงไม่มีอีกต่อไปจะมีก็แต่หน้าที่อันพึงกระทําเพื่อผู้อื่นที่เรียกว่าปรหิตะปฏิบัติเท่านั้นเธอรู้หรือไม่สมัยพุทธกาล บุคคลที่ตอบปัญหาได้ทุกเรื่องคือใครอาจารย์ถามด้วยหมายจะเพิ่มพูนความรู้ภาคปริยัตให้แก่ศิษย์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับอย่างในมงคลละสูตรซึ่งที่มาก็คือเทวดาและมนุษย์ถกเถียงกันมานานถึงสิบสองปีว่าอะไรเป็นมงคลของทีวิต เมื่อตกลงกันไม่ได้จึงพากันมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระองค์ทรงตัดสินจึงเกิดมงคลละสูตรขึ้นถูกแล้วนอกจากนี้นพวกเจ้าลัทธิอื่นๆที่พยายามแข่งดีแข่งเด่นกับพระพุทธองค์แต่พอถูกถามปัญหายากๆ ก, ก็ตอบไม่ได้ เธอเคยได้ยินปัญหาอุดเทศและเวยากรไหมที่มีตั้งแต่หนึ่งข้อสองข้อไปจนถึงสิบข้อซึ่งนักบวชในศาสนาอื่นตอบให้สมบูรณ์ไม่ได้แต่พระพุทธองค์ทรงตอบได้ไม่เคยครับหลวงพ่อกรุณนาให้ความรู้แก่ผมด้วยตกลง เราก็อยากให้เธอรู้ไว้เวลามีใครมาลองภูมิจะได้ตอบเขาได้เดี๋ยวนี้คนชอบลองภูมิมีเยอะอย่าว่าแต่พวกที่นับถือศาสนาอื่นเลยที่นับถือศาสนาเดียวกันก็ยังชอบต่อไปจะมีพวกมหาป ร, ริญมาลองภูมิเธอคนพวกนี้เขาเกิ่งแต่ปริยัต แล้วก็ร้อนวิชาชอบเที่ยวท้าทายคนโน้นคนนี้แต่เธอไม่ต้องกลัวคนพวกนี้หรอกถึงเธอจะไม่ได้เป็นมหาปรียญแต่ก็จะตอบเขาได้เพราะการปฏิบัติทำให้เธอรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีทางจนมุมพวกเขานั่นแหละจะจนมุมเพราะเมื่อเธอถามเรื่องที่ลึกซึ้งเขาจะตอบไม่ได้เพราะไม่เคยปฏิบัติ ถ้าเช่นนั้นผมก็ขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยให้ความรู้ด้านปริยัติแก่ผมเท่าที่เวลาและโอกาสจะอำนวยนะครับความจำผมดีผมรับรองว่าฟังครั้งเดียวก็จำได้นี่และเป็นเหตุผลสำคัญที่เราต้องการให้เธอเรียนรู้ด้านปริยัติ แม้จะไม่จำเป็นในการบรรลุมรคผลหากก็จำเป็นต่อการเผยแผ่พระศาสนาซึ่งในอนาคตเธอจะต้องรับหน้าที่นี้และจะทําให้คนต่างชาติต่างศาสนามีโอกาสนาธรรมะไปปฏิบัติเธอจะทําให้พวกเขาเกิดความศรัทธาเลื่อมใสจำได้ไหมเมื่อเธอพบเราครั้งแรกที่คอนแก่น เรายังไม่ยอมรับเธอเป็นศิษย์แต่บอกว่าอีกเจ็ดวันเธอจะได้พบครูบาอาจารย์ที่เก่งไม่มีใครเทียมเท่าในอนาคตเธอจะเก่งไม่แพ้ครูบาอาจารย์ของเธอหลวงพ่อครับผมไม่คิดจะตีเสมอครูบาอาจารย์หรอกครับผมอยากเรียนรู้ในสิ่งที่หลวงพ่อกำลังจะสอนผมนะครับ ภิกษุวัยสี่หวงเพราะท่านอยากได้ความรู้ตกลงเมื่อเธออยากรู้เราก็จะบอกปัญหาข้อแรกคืออะไรชื่อว่าหนึง่งเธอตอบได้ไหมสงสัยว่าจะไม่ได้ครับนิมนต์หลวงพ่อเฉลยพอเป็นแนวทางก่อน คือข้อต่อต่อไปผมอาจเดาถูกเมื่อสิทธิ์ขอมาอย่างนี้อาจารย์จึงต้องเฉลยว่าสัตว์ทั้งปวงอยู่ได้ด้วยอาหารนี้ชื่อวันหนึ่งข้อต่อไปอะไรชื่อว่าสองอาจารย์ถามต่อน้ำกับรูปใช่ไหมครับ สิทธ์ตอบอย่างไม่มั่นใจนะักถูกแล้วเก่งนี่เราจะถามตอบอะไรชื่อว่าสามเวทนาใช่ไหมครับเพราะเวทนามีสามคือสุขเวทนาทุกขเวทนาและอทุกขมะสุขเวทนาอะไรชื่อว่าสี อาจารย์ถามอีกหลวงพ่อยังไม่ได้เฉลยข้อสามเลยครับผมจึงยังไม่ทราบว่าถูกหรือผิดถ้าเราถามต่อแสดงว่าคำตอบของเธอถูกต้องอะไรชื่อว่าสี่ท่านทวนคำถามอีกครั้งไม่ทราบครับคำตอบคืออาหารสี่นบอกมาสิอาหารสี่ มีอะไรบ้างมีกะวะลิงการาหารอาหารคือคาข้าวผัดสาหานอาหารคือผัดสะมนโนสัญญเจตนาหารอาหารคือมนโนสัญเจตนาและวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณครับอะไรชื่อว่าหา่า อุปทานขันห้าครับอะไรชื่อว่าหกอายตนะภายในหกครับอะไรชื่อว่าเจ็ไม่ทราบครับคําตอบคือวิญญาณทิติเจ็ดไหนบอกมาซิว่าวิญญาณทิติเจ็มีอะไรบ้างไม่ทราบครับ สิทธ์ยังคงยืนยันคําตอบเดิมอาจารย์จึงต้องฉเฉลยว่าวิญญาณที่ติเจคือที่ตั้งของวิญญาณเจอย่างได้แก่หนึ่งสัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันได้แก่มนุษย์เทพบางจําพวกเบรดบางจําพวก 2. สัตว์เหล่าหนึ่งมีกายต่างกัน มีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่เทพพวกพรหมที่เกิดด้วยปฐมทานสาสัตว์เหล่านึ ง, นงมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาต่างกันได้แก่เทพพวกอาภัสรพรหมสมสัตว์เหล่านึงมีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันได้แก่ เทพพวกสุภกินหับพรมห้าสัตว์เหล่าหนึง่งเข้าถึงอากาสาญจายต น, นะ 6. สัตว์เหล่าหนึง่งเข้าถึงวิญญาณันจายต น, นะเจด็ดสัตว์เหล่าหนึง่งเข้าถึงอากินจัญญายตัต น, นะนี่คือสิ่งที่ชื่อว่าเจ็ดอะไรชื่อว่าแปดครับ คราวนี้คนถามกลับเป็นสิทธิ์ถ้าเราเป็นผู้ถามเธอจะตอบว่าอะไรผมจะตอบว่าโลกกระท8แปดครับอะไรชื่อว่าเก้าอาจารย์เห็นสิทธิ์ตอบได้จึงถามต่อไม่ทราบครับคำตอบคือสัตววาดเก้าสัตววาดเก้าคืออะไรครับ คือที่อยู่ของสัตว์9อย่าง4อย่างแรกเหมือนกับวิญญาณทิฏฐิ 1, ข้อหนึ่งถึงข้อ4ข้อที่หสัตว์เหล่านึงไม่มีสัญญาไม่สเสวย อ, อารมณ์คือไม่มีวทนาได้แก่เทพพวกอสัญญีสัตว์ข้อ6ข้อเข้อ8เหมือนกับวิญญาณทิฏฐิ 4, ข้อ 5, ข้อห และข้อเจ็ดส่วนข้อเก้าคือสัตว์เหล่าหนึ่งเข้าถึงเนวสัญญาณาสัญญายาต น, นะเอาละทีนี้ก็มาถึงข้อสุดท้ายอะไรชื่ว่าสิบวังว่าเธอคงตอบได้นะอากุศลกรรมบทสิบใช่ไหมครับถูกแล้ว นี่แหละคือปัญหาที่พวกเจ้าลทัทธิหรือพวกนักบวชนอกศาสนาตอบให้สมบูรณ์ไม่ได้มีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงตอบได้อย่างครบถว้วนยังผลให้พวกนอกศาสนาจำนวนไม่น้อยยอมรับนับถือแม้แต่พระเจ้าประส e n t พระราชาครองแคว้นโกศลซึ่งแต่เดิม ก็ไม่ทรงนับถือพระพุทธองค์ครั้นได้ทรงสนทนากับพระพุทธองค์บ่อยครั้งจนในที่สุดก็ทรงยอมรับนอกจากนี้ยังทรงกราบทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคสิบประการคือทรงเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนเป็นอันมากหนึ่งทรงมีศีลหนึ่ง ทรงเสพเสนาสะนะอันสงัดหนึ่งทรงสันโดษด้วยปัจจัยสตามมีตามได้หนึ่งทรงเป็นผู้ควรของคำนับจนถึงทรงเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกหนึ่งทรงมีถ้อยคำขัดเกลาเกลิเลหนึ่งทรงได้ฌานสี่ตามปรารถนาหนึ่งทรงระลึกชาติได้หนึ่ง ทรงมีทิพยะจักสุหนึ่งและทรงทําให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะอยู่ในปัจจุบันหนึ่งแต่ผมว่าที่พระเจ้าประเสริฐที่พันณนามาทั้งหมดนี้ก็ยังไม่ได้ครึ่งของคุณงามความดีที่พระพุทธองค์ทรงมีทรงเป็นทําไมพระเจ้าประเสริท จึงไม่ทรงกล่าวถึงพระพุทธคุณเก้ประการของพระพุทธองค์ละครับหลวงพ่อเพราะพระราชาเปเสนทิทรงเป็นปุถุชนย่อมไม่สามารถเข้าพระทัยลึกซึ้งได้อีกประการหนึ่งพระองค์ก็ไม่ได้ทรงนับถือพระพุทธองค์มาก่อนไม่เหมือนพระเจ้าพิมพิสารที่แม้จะเป็นศิษย์ของพวกชดินมาก่อน แต่เมื่อเฉดดินได้สาธยายพระพุทธคุณทั้งเก้าให้ทรงสดับก็ทรงบังเกิดความเลื่อมใสครั้นพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรดพระองค์ทรงได้ดวงตาเห็นธรรมในทันทีแต่น่าเสียดายนะครับที่ทรงถูกพระโอรสกระทาปิตุขา แล้วเธอรู้ไหมว่าเหตุใดพระเจ้าอาตาสัตรู้จึงทรงกระทำไปตุกขาดเพราะพระองค์ไปคบ ค, บค้าส ม, มาคมกับพระเทวทัตใช่ไหมครับพระเทวทัตเป็นพานจึงเข้าตำราคบพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล เพราะเหตุนี้แหละพระพุทธองค์จึงตรัสมงคลข้อแรกว่าไม่คบผานเพราะถ้าเริ่มต้นชีวิตด้วยการครบคนชั่วแล้วอย่าหวังว่าจะบรรลุถึงคุณงามความดีได้แต่วันคล้อยชายเขาไม่นานนักความมืดก็เข้ามาปกคลุม อาจารย์กับสิทธิ์เดินทางมาถึงที่หมายพอดีดงพยาเย็นเป็นส่วนหนึ่งของวนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งวนอุทยานแห่งนี้มีอนาบริเวณกว้างใหญ่ไพศาลครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดต่างๆถึง4จังหวัดได้แก่นค ร, รราชสีมานครนายกสระบุรีและปราจีนบุรี คืนนี้เราจะพักแรมกันที่นี่อาจารย์บอกสิ์เมื่อมาหยุดอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ใบหนาถึงดงพญาเย็นแล้วหรือครับผู้เป็นสิทธามป่ารกทึบดูน่ากลัวเสียงนกกาที่พากันร้องเรียกรังเมื่อตอนหัวค่ำสงบลงแล้วมีเสียงร้องของสัตว์ป่าดังมาแต่ไกลท่านพระครู รู้สึกกลัวจึงถามหลวงพ่อดำว่าเสียงอะไรครับหลวงพ่อเสือหลวงพ่อดำตอบแล้วเขาจะมาทำอันตรายเราไหมครับก็แล้วแต่ถ้าเคยมีเวณมีกรรมต่อกันก็ต้องชดใช้แต่ถ้าไม่เคยก็คงไม่ต้องว่าแต่เธอหิวหรือเปล่า ถามยางอาทรก่อนหน้านี้หิวครับแต่ตอนนี้ไม่หิวแล้วความกลัวมันไล่ความหิวไปไกลลิบเลยครับหลวงพ่อภิกษุวัยสส้าสารภาพกลัวก็กำหนดกลัวหนอกลัวหนออย่าลืม อย่าอยู่โดยปราศจากสติแม้นาทีเดียวว่าแต่ว่าเธอจะปักกลดตรงนี้หรือว่าจะไปหาที่ใหม่อาจารย์ถามสิทธ์แล้วหลวงพ่อละครับสิทธ์ถามอาจารย์ถ้าเธอเลือกตรงนี้เราก็จะไปหาที่ใหม่แต่ถ้าเธอจะไปหาที่ใหม่เราก็จะอยู่ตรงนี้ ตามพระวินัยบยัญญัติพระทุดงต้องปักกลดห่างกัน25สห้าวาไม่ใช่หรือท่านอ้างพระวินัยยกเว้นสักครั้งไม่ได้หรือครับหลวงพ่อผมยังไม่ทินเอาแค่สิบวาก็พอเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้ตะโกนเรียกกันได้สิทธต่อรอง ไม่มีการตะโกนและไม่มีการช่วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าให้จำคำของสมเด็จโตไว้คิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราเอาละบอกมาว่าเธอจะอยู่ตรงนี้หรือจะขยับไปอีกยี่สิบห้าว่าอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับ ตอบเสียงอ่อยเมื่อเห็นว่าไม่มีทางเลือก